ธรรมบทแปลเรื่องที่150เรื่องนาคราชชื่อเอรกปัดข้อความเบื้องต้นพระสัสดาทรงอาศัยพระนครพารณาสศีประทับอยู่ที่โคนไม้ซึกเจต้นทรงปรารพพระยานาคราชชื่อเอรกปัตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ากิจโช่มนุษย์สัพติลาโพ เป็นต้นตอนอาบัตเล็กน้อยที่ไม่แสดงเสียย่อมให้โทษทราบว่าในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนพระยานาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่มขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคายึดใบตะไคร้น้ำก่อนหนึ่งเมื่อเรือแม้แล่นไปโดยเร็วก็ไม่ปล่อย ใบตะใคร้น้ำขาดไปแล้วภิกษุหนุ่มนั้นไม่แสดงอาบัติด้วยคิดเสียว่านี้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยแม้ทำสมณธรรมในป่าสิ้นสอง0 0ปีในการมรณาภาพเป็นประดุดไปตะใคร้น้ำผูกคอแม้อยากจะแสดงอาบัติเมื่อไม่เห็นพิกษุอื่นก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นว่าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ จุติจากอัตภาพนั้นแล้วบังเกิดเป็นพระยานาคมีร่างกายประมาณเท่าเรือโกรนเขาได้มีชื่อว่าเอรกปัดนั่นแหลในขณะที่เกิดแล้วนั่นเองพระยานาคนั้นแลดูอัตภาพแล้วได้มีความเดือดร้อนว่าเราทำสมณธรรมตลอดการชื่อมีประมาณเท่านี้เป็นผู้มีกบเป็นอาหาร ในกำเนิดแห่งอหตุกัสัตว์ในการต่อมาเขาได้ทิดาคนหนึ่งแผ่พังพานใหญ่บนหลังน้ำในท่ามกลางแม่น้ำคงคาวางทิดาไว้บนพังพานนั้นให้ฟ้อนรำขับร้องแล้วตอนพระยานาคป อ, อกอุบายเพื่อทราบการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทราบว่า เขาได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราจะได้ยินความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้นด้วยอุบายนี้แน่ละผู้ใดนําเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้เราจะให้ธิดากับโดยนาคผีภพอันใหญ่แก่ผู้นั้นวางธิดานั้นไว้บนพังพานในวันอุโบสถทุกกลึงเดือน ที่ดา น, นั้นยืนฟ้อนอยู่บนพังผานนั้นขับเพลงขับนี้ว่ากิงสุอธิปติราชากิงสุราชาราชสิโรกระทั ang, ่งสุวิระโยโหติกระทั่งบาโลติวจจติผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียร อย่างไรเล่าชื่อว่าปราชจักธุลีอย่างไรท่านจึงเรียกว่าคนผ่าจชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นพากันมาด้วยหวังว่าเราจะรับเอานางนาคมานวิกาแล้วทำเพลงขับแก้ขับไปโดยกำลังปัญญาของตนของตนนางย่อมห้ามเพลงขับตอบนั้น เมื่อนางยืนอยู่บนพังพานทุกกึ่งเดือนขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้นพุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้วตอนพระศาสดาทรงผูกเพลงขับแก้ครั้งนั้นพระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูโลกทำเอรกปัดนาคราชให้เป็นต้น ทรงเห็นมานบชื่ออุตระผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระยานของพระองค์ทรงใกล้ครวญดูว่าจะมีเหตุอะไรได้ทรงเห็นแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เอรกปัตนะคราชทําทิดาไว้บนพังพานแล้วให้ฝอนอุตรมานบนี้เรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้แล้วจักเป็นโสดาบัน เรียนเอาเพลงขับนั้นไปสู่สำนักของนาคราชนาคราชนั้นฟังเพลงขับแก้นั้นแล้วทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจักมาสู่สำนักของเราเมื่อนาคราชนั้นมาแล้วเราจะกล่าวคาถาในสมาคมอันใหญ่ในการจบคาถาสัตว์ประมาณ84ดห0ืพันจตรัสรู้รม พระสัสดาเสด็จไปในที่นั้นแล้วประทับนั่งนาโคนต้นซึกต้นหนึ่งบรรดาต้นซึกเจ็ดต้นที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลแต่เมืองพระนศีชาวชมพูทวีปพาเอาเพลงขับแก้เพลงขับไปประชุมกันแล้วพระสัสดาส่งท่อพระเนรเห็นอุตรามานพกำลังไปในที่ไม่ไกลจึงตรัสว่าอุตระ อุตระอะไรพระเจ้าข้าพระศัสดาเธอจงมานี่ก่อนที่นั้นพระศาสดาตรัสกับอุตตรมานบนั้นผู้มาถวายบังคมนั่งลงแล้วตรัสถามว่าเธอจะไปไหนอุตรมานพจะไปยังที่ที่ธิดาของเอรกปัตนาคราชขับเพลงพระศัสดา ก็เธอรู้เพลงขับแก้เพลงขับหรืออุตรมานบข้าพระองทราบ พ, พระเจ้าข้าพระสัสดาเธอจงกล่าวเพลงนั้นดูก่อนทีนั้นพระสัสดาตรัสกับเขาผู้กล่าวตามธรรมดาความรู้ของตนเท่านั้นว่าเนี่ยอุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับแก้เราจะให้เพลงขับแก่แก่เธอ เธอต้องเรียนเพลงขับแก้นั้นให้ได้อุตตรมานพดีละพระเจ้าข่าตอนอุตตรมานพเรียนเพลงแก้จากพระศัสดาทีนั้นพระศัสดาตรัสกับเขาว่าอุตระในการที่นางนาคมานวิกาขับเพลงเธอพึ่งขับเพลงแก้นี้ว่าจัตวาราธิปติราจา รามาโนราชสิโรอระยังวิระโโหติระยังบาโลติวจติผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเสียรผู้ไม่กำหนดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีผู้กำหนดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่าน ก็เพลงขับของนางนาคมานวิกามีอธิบายว่าบาดพระคาถาว่ากิงสุอธิปติราชาความว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าจึงชื่อว่าพระราชาบาดพระคาถาว่ากิงสุร า, ารชาราชสิโรความว่าอย่างไรพระราชาย่อมเป็นผู้ชื่อว่า มีธุลีบนพระเสียรบทว่ากระทั่งสุความว่าอย่างไรกันเอย่ยพระราชานั้นเป็นผู้ชื่อว่าปราศจากธุลีส่วนเพลงกับแก้เมียที่บายว่าบาทพระกาถาว่าชัตวาราทิปฏิราชาความว่าปูใดเป็นผู้ใหญ่แห่งทวารหกอนารมทั้งหก มีรูปเป็นต้นครอบงำไม่ได้แม้ในทวารหนึ่งผู้นี้ชื่อว่าพระราชาบาทประกาศาว่าราญมาโนราชสิโรความว่าก็พระราชาใดกำหนัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นพระราชาผู้กำหนัดอยู่นั้นชื่อว่ามีทุลีบนพระเศียรบทว่าอราจังความว่า ส่วนพระราชาผู้ไม่กำนัดอยู่ชื่อว่าเป็นผู้ปราศจากทุลีบทว่าระจังความว่าพระราชาผู้กำนัดอยู่ท่านเรียกว่าเป็นพานพระสัส ด, สดาครั้นประธานเพลงขับแก้แก่อุตรามานพนั้นอย่างนี้แล้วตรัสว่าอุตระเมื่อเธอขับเพลงนี้นางจักขับ เพลงแก้เพลงขลับของเธอนี้ว่าเกณนสุวิหตีบาโลกระทั่งนุดติปันฑิตโยคะเคมีกระทั่งโหติตังเมอค่าหิปุจจิตโขวนพานอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะ ท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราที่นั้นท่านพึงขับเพลงขับแก่นี้แก่นางว่าโอเคนะวิหตีบาโลโยกานุดติปันธิโตสับบโยกะวิสังยุตโตโยคะคเคมีติวุจจติคนผ่านอันห่วงน้ำคือกามโมโคาเป็นต้น ย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคนั้นเสียด้วยความเพียรบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะเพลงขับแก้นั้นมีเนื้อความว่าคนผ่านอันโอคะคือกิเลสดุดห้วงน้ำสี่อย่างมีโอคะคือการเป็นต้นย่อมพัดไป บัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นด้วยความเพียรกล่าวคือสัมมปทานคือความเพียรอันตั้งไว้ชอบบัณฑิตนั้นไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงมีโยคะคือกามเป็นต้นท่านเรียกชื่อว่าผู้มีความเกษมจากโยคะอุตรมานพเมื่อกําลังเรียนเพลงขับแก้นิเทียวดํารงอยู่ในโสดาปฏิผล เขาเป็นโสดาบันเรียนเอากาถานั้นไปแล้วกล่าวว่าผู้เจริญฉันนำเพลงขับแก้เพลงขับมาแล้วพวกท่านจงให้โอกาสแก่ฉันได้คุกเข่าไปใน่ามกลางมหาชนที่ยืนยัดเยียดกันอยู่แล้วนางนาคมานวิกายืนฟ้อนอยู่บนพังพานของบิดาพลางขับเพลงขับว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่า ชื่อว่าเป็นพระราชาเป็นต้นอุตรามานพขับเพลงแก้ว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาเป็นอาทินางนาคมานวิกาขับเพลงโต้แก่อุตรามานพนั้นอีกว่าคนพานอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปเป็นต้นทีนั้นอุตรามานพเมื่อจะขับ เพลงแก้แก่นางจึงกล่าวคาถานี้ว่าคนพานอันห่วงน้ําย่อมพัดไปดังนี้เป็นต้นตอนนาคราชทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วนาคราชฟังคาถานั้นแล้วทราบความที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นดีใจว่าเราไม่เคยฟังชื่อบทเห็นปานนี้ตลอดพุทธันดรนหนึ่งผู้เจริญ พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหนอจึงเอาหางฟาดน้ำคลื่นใหญ่เกิดขึ้นแล้วฝั่งทั้งสองพังลงแล้วพวกมนุษย์ในที่ประมาณอุษาหนึ่งแต่ฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้นจมลงไปในน้ำานากราชนั้นยกมหาชนมีประมาณเท่านั้นวางไว้บนพังผาลแล้วตั้งไว้บนบก นาคราช น, นเข้าไปหาอุตรามานพแล้วถามว่าแน่นายพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอุตระประทับนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งมหาราชนาคราช น, นกล่าวว่ามาเถินนายพวกเราจะพากันไปแล้วได้ไปกับอุตรามานพฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกันนาคราชไปถึง เข้าไปสู่ระหว่างพระรัศมีมีวันนาหกถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนร้องไห้ยอยู่ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสการหนาคราตนั้นว่านี่อะไรกันมหาบาพิษนาคราชพระเจ้าค่าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เชินกับด้วยพระองค์ได้ทำสมณธรรมสิ้นสองหมื่นปี แม้สมณธรรมนั้นก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์อาศัยเหตุสักว่าให้ใบตะใคร่น้าขาดไปมีประมาเล็กน้อยถือปฏิสนธิในอเหตุตุกษัตริย์เกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ตลอดพุทธันดรหนึ่ง พสัสดาทรงสดับถ้อยคำของนาคราชนั้นแล้วตรัสว่ามหาปพิธชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนักการฟังพระสัตธรรมก็อย่างนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยลาบากยากเย็นเมื่อจะทรงสแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่า กิจโชมนุษยสปติลาโพกิจช่างมัจจานจีวิตังกิจช่างสัทรธรรมัสสวนังกิจโชพุทธานมุปปาโดความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการฟังพระสัทธธรรมเป็นของยากการที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยาก ตอนแกะอัดเนื้อความแห่งประกาศานั้นพึงทราบดังนี้ว่าก็ชื่อว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการยากคือหาได้ยากเพราะความเป็นมนุษย์บุคคลต้องได้ด้วยความพยายามมากด้วยกุศลมากถึงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นอยู่ยากเพราะธรรมกรรมมีกสิกรรมเป็นต้นเนือง แล้วสืบต่อความเป็นไปแห่งชีวิตบ้างเพราะชีวิตเป็นของน้อยบ้างแม้การฟังพระสัตรธรรมก็เป็นการยากเพราะค่าที่บุคคลผู้แสดงธรรมหาได้ยากในกลับแม้ไม่ใช่น้อยอนหนึ่งถึงการที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นการยากเหมือนกันคือได้ยากยิ่งนัก เพราะอภินิหารสำเร็จด้วยความพยายามมากและเพราะการที่อุบัติขึ้นแห่งท่านผู้มีอภินิหารอันสำเร็จแล้วเป็นการได้โดยยากด้วยพันแห่งโกรธกับแม้มีใช่น้อยตอนนาคราชไม่บรรลุโสดาบันในการจบเทศนาเหล่าสัตว์ 84,000 พได้ตรัสรู้ธรรมแล้วฝ่ายนาคราช พึงได้โสดาปฏิผลในวันนั้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้เพราะค่าที่ตนเป็นสั ต, ติรชาญนคราชนั้นถึงภาวะคือความไม่ลำบากในฐานะทั้งห้ากล่าวคือการถือปฏิสนธิการล่อราบ ก, การวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับการเสพเมถุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและจุติ ที่พวกนาคถือเอาสรีระแห่งนาคนั่นแหละแล้วลำบากอยู่ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมานบนั่นแหละั้งนี้แล้วเรื่องนาคราชชื่อเอรักปัตจบ